ทุกท่นกนานที่บวชมาเพื่อแสวงหาอัธถธรรมที่เป็นความร่มเยินต่อจิตใจของตนทั้งกายทั้ง ใ, ทงใ่ทั่วประเทศหรือทุกภาครวมแล้วทั่วประเทศมารวมอยู่ใน จุดนี้ในที่ชุมนุมนี้ต่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งส่แสวงหาความสงบลมเย็นโดยธรรมด้วยธรรมการรง พากันตั้งอกตั้งใจสมอยกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆ ด้วยอายตนะนั้นนั้นเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปูุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันสิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้น เป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอาธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งธรรมในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับ คือเครื่องกดขี่คือเครื่องผลักปรับดันหรือเจ้าอำนาจท้าให้เคลื่อนไหวทุกสิ่ง ท, ทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อ ส, ส่อแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมมก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้ ง, งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัว ออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออเพื่อทาเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นค่าศึกกันแบบศูนต่อศูนร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอม ระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แก่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แน่แห ความกระดิกปิกแพงหรือพแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไป การศึกษาเราเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแผนแหนงใดๆก็าตามตัวทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพึกเป็นไปยอยู่ภายใยจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี่นแหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมา ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดทอนในการทําลายสิ่งที่เป็นภยัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้นไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตหาหูจอ ม, อมุกลิ้นกายใจเกี่ยวกับเสียงภายนอกเป็นงรูกเสียงรถนนเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสอกการแสรงหาการกว้านเข้ามา แห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภายตัดตัวของเราผู้รับเคราะหรับกรรมได้เ จ, จยอะใจตรงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันทำของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรับจะรู้แล้วจึงได้ประกาศกลงวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภายถึงยักษ์ใหญ่ที่กินสัตว์ทั้งโลก ให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ปรับารู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามพระเดศพระพุทธเจ้าทัานพุทธีรองลงมาก็ตามเรดเดไปเรื่อยๆจนกระทั่งวรรคสุดท้ายก็เป็นกัญญาณชนเป็นพุทธมามะกะ ในขั้นกัลยาณชนนีเป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากาศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่านเราทั้งหลายเป็นภิกษุบริษัท์เป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ ท่านผู้ใดบวชเพื่อความบุดพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลำคาญเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อปรกเคนีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัดธรรมตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปีี่แยกแยะจาก เจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิษ์พิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์ การกระทำงานทุกด้านการกระดิ์ทิชแพงที่ยาอาการทุกแน่ทุกหมุมต้องเป็นไปด้วยความตรงใจเป็นไปด้วยความตั้งความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสีย ในขณะเดียวกันก็คือวิเลตมันผลักออกจากงานอัธรําที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแข่งยาพิษของมันใส่เข้าแทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการมําเพนรรมของพวกเก่าเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทัน การเดินจงกมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทํางานแทนตัวของเราแล้วขับทําอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสียกลายเป็นความเพียรของกิ่เรียดวนวลไปโดยไม่รู้สตัวนี้มีจานวนมากในเอียบท่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติ และไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมจะพอแยกแยะ ก, กันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลส ข, ของสิ่งดอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้ เป็นแบบที่ล้มลุมกคุ่คานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล้มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท่อถอยความเพียรไปเสียเพราะอานาจฝ่ายต่ํามันมีกําลังมากกว่ามันทําให้สาระคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไป แล้วสิ่งเรียลได้ทั้งหลายกายมาเป็นสาระคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าหน้าชมเชยน่ายินดีหน้าปิดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวคิษตัวภัยเท้าล่นตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่วัดหนักก็หนักเพราะขิ้เหร่มันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อค่าสึกมันหนักสิงต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปต่างๆกันความหนักในทางความเพียร น, นี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยพี่ ฝ่ายต่ำจะสวมลอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอีกหนาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลาบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียนให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกลูดกูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดี หรือจากฝ่ายสูงได้เจทํารมเราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคุกครานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากโดยเหตุ น, นี้ผู้บาเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดินคาว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญา ภูวาจารเทศกะแทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้กิ่ก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสมงบเยนใจบ้างไม่ได้ให้ ส, หสติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถุกบางจากเจ้ามาหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโก จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตพุตบอลที่กลื่งไปคลื่งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่พาทันให้กลื่งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกาลังมาก และรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเรยวมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันนึกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตอนเองลง โดยลำดับลำดายไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาใดมีแต่กําลังของมันที่มาตัดทอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไปไม่ถูกนี่สำคัญขอให้ทุกท่านตามมาไว้นี่คือความจริงระหว่างจริงจอมปลอมที่กับธรรมที่ กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่อย่างไรก็ไม่พ้นความผ้าเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมเลือกความมุ่งมั่นต่อัดต่อธรรมของเราไปได้นักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอย แพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกําลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนนก็ยังพอพัดพอเบี่ยงกันไปแต่แพ้นอกนี่หาทางต่อสู้ไม่ได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเพราะ ก, การประกอบความเปลี่ยนนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจรึงไม่ควรที่จะทําความย่อท้อหรืออ่อนแอหรท้อถอย ในความภาคเปลี่ยนของเราโดยรัย่ว โ, โดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเรศประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับยิเรศประกันเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะยิเรศบีบบังคับนั้น เป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์หาเ ว, เวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อน ผ, ผ่อนผันหรือหมดชิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักผนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งและมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกาลังพัดเหี่ยงกันไปและ มีในร่ำเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกในการต่อสู้นี้ต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อค่าสิทธแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้ เ, เมื่อเราเที่ยวความทุกทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกในการต่อสู้กับพิเดชเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหางชันชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกเหล่านี้ออกเพราะการ ชนะสิ่งต่ํารามหรือสิ่งที่เป็นค่าสูตทั้งหลายด้วยทำมีสติทำปัญญาธรทำวิริยะทำเป็นสาคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของที่เรียกบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกตัวทั่วไปนั้นไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์เป็นอาการดีโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตาการถ้ามันมีทำเข้าแทรกไม่มีทำเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะด่นเข้ามานั้นไม่มี มีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไปนับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไป้าที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกอยู่เช่นนี้เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียร น, นี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าึก ลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้ของเราเนื้อกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกในการต่อสิบต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรรมมาสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับขาศึกทั้งหลาย กลายเป็นมหันฯกลายเป็นบรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญทำแต่งานให้เป็นไปตามมัตตจักนี่ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกพอแล้วต่อไปไม่ทุกอีกไม่มี มีแต่เรื่องย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลาดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหนลงป่าพิเลนต์ตัญหาอัศวานีหลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่ว่วาง ไม่มีพักที่พอจะผ่อนคลายได้เลยมิจะบีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบกิริยาบทใดๆก็บีบพบชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในมาตฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจํานั่นเองย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจําใดก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นนัน้ถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกี่สถ า, านที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผุดแฝกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขู่บังคับจากนายเหนือเหนือ ห, หัวอยู่ตลอดไปมีการย้ายพบย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดใดก็ตาม ก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจํานี้ไปสู่เรือนจํานั้นนั่นแหละนอกจากให้ดูพ้นไปเสียจากที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายใจิตใจความที่ใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับมัวใจของเราทุกๆุกท่านจึงพยายาม เพื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียบตะกายตนเองไปด้วยอดด้วยรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละทอถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ศิ เต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกระถานี้จะ ถ, ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวรรค์ธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกเนี่ยทุกหมดนี้ส่วนการเที่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยไวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเรา จะไม่ตกมาตกกลางวันให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัต์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีนี่จะบีบบังคับเข้าไปโดยลําดับลําดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้ว แม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทํานองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละนี่เราได้เป็นศิท ธ, ธาคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนะักบวชและนะักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจในเรื่องความภาพ ค, ความเปลี่ยนอย่าห่วงอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วง ไม่ว่าจะวัตถุไม่ว่าจะอารมณ์เต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อันใดล้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟถ้าเราหลงมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่า น, นี้เป็นกองอิ จ, จังทุกข์ขังอนัตตาผันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากางหันภายในสิ่ง น, นั้นๆและจะพ้ออย่างยิ่งภายในการในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสําหรับตัวเรา สิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์เมื่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปยังไงเขากม็มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงบัตแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไร เข้าไปแล้วมันจะเป็นความทูกความกระเพือมถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรงรักษาตัวต่างกันนังแล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้ อ, อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่พื้นแต่ไปนอกจากธรรมโมปดีโปที่เท่านั้นที่จะ เป็นที่ไว้ อ, อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยีเอ่เดสขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจิตจริงอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขย ำ, ย, ำ, ย, ำย่ําหยี ด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียนท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกั่นกองพลาดฟันกับสิ่งที่เป็นข่าสึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วถือว่าเป็นผู้ก้กาวเดินตามทางของศาสนาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนๆอนไม่มีคําว่าการนั้นสมัยนี้ ใช้ผ่านกี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สําคัญสําคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นนั่นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลําดับตํามดาไม่ผิดกันเลยขอให้หยึดหลักปัจจุบันคือสวคขธรรมที่ชอบแล้วชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิด อย่าเห็นจิงใดเป็นของมิเศษยทีโสเลิดเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แลเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเป็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทาความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้ เราเคยทําความเข้าใจกับมันก็ได้ทําความเข้าใจแล้วมันอยู่ที่อำนาจั้งเราสับแม่ที่สุดสักผลหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะประจำความเข้าใจกับมันกับยิ่เลสนี้ทําความเข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลําดับลำดาแม้จะไม่ทําความเข้าใจพวงมันก็หลงอยู่แล้วแต่ทาความเข้าใจกับมันเรื่องอันไหนที่จะได้รับผลรับประโยชนขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้น แล้วไม่เข็ดไม่หลาบมั้งเหรอเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาสับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขาบาปัญญาเป็นมันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เปลี่ยนและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นจริงที่ใหญ่โตและโหดฐานที่สุด มโหฬารมากทีเดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อํานาจวัาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุดูแต่อํานาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือดวนจำชาติโลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้น เขให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตสตาเขาแปลว่าผู้ค้องผู้ติดผู้ค้องติดอะไรก็ก็ติดก well ิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็น สิ่งที่เคลือบแข็งเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แตะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นพีะนั่นจริงต้องแตะออกด้วยความภาคเพียนอย่าลดลาบท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไร ให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดําเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดําเนินเพราะมันพาดําเนินอยู่แล้วนอกจากจะปีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปีกไปแวะไปได้ ให้พ้นภัยจากเด็กนอกจากดำเนินไปตามสมคขาธรรมที่จัดได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิอุชุปฏิญญาญาษามีกิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาะะโกโตสาวะกะสังโคนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าฤ ด, ดังจตตาลิุริษยูกาเนตถภุริภูเบลาคู้หง อริยบุคคลสี่ทั้หมดบูรุษสี่นั่นคืออริยบุคคลสี่แยกออกไปเป็นอริยบุคคลแปดได้แก่พระโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคามผลอนาคามักอนาคาผลอรหัตตามักอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปโนอุทุยานญ า, ญาสามิกิปฏิปโนนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นมาจากไหนจากไหน หน้าคู่แห่งอริยะบุคคลสี่เป็นแปดอริยะบุคคลนี้เราจะเป็นหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เวีนคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญ น, นี้เท่านั้นนี่เป็นจุดําขาญเป็นที่รวมแห่งอริยะบุคคลสี่คู่แปดนำพวก อูตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโนนเป็นเป็นอาเดียบุคคลสี่เป็นสี่คู่แล้วนั่นเป็นแปดจำพวกหรือเป็นแปดคนนั่นหมายนอกตายผิดตายอาการของกิจที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุคบุรุษสี่หรืออาเดีบุคคลส<ม>ี่เป็นอาเดีบุคคลแปด อย่ภายในนี้โสดาปฏิมาค ก, ก็คือจิต ด, ดวงนี้จะเป็นผู้ดําเนินเป็นผู้บรรลุโสดาปฏิผลผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขัานนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดําเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตมัคอะรหัตผลก็คือจิต ด, ดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดิน มัพมัคขมะขะคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่าแปดแปดหมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทาอริยธรรมสี่คู่แปดประเภทนี้ขึ้นมาชม นอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้งสี่คู่ทั้งแปดอาการขึ้นมาภายในตัวอย่าคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอูชูญายาสามีกิคือใจดวงนี้ นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็ก็คือตัวเองนั่นเองผลปรากฏขึ้นมาจะเป็นสี่คู่เป็นแปดอาการนั่งก่าตามหรือเป็นแปดอริยะท่านก่าตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทำรรเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดพิมุตพระนิพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียว ไม่ใช่คนนั่นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็นสี่คู่แล้วคนนั่นก็เป็นคนนั่นก็เป็นแล้วเป็นแปดบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกนอ ก, นอกผิดจากหลักศาสนธรรมลึกลึกสวขาธรร ม, รรรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปนุกใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปนุนแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดิน ุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความนมิยิทุกแง่ทุกมุมในพักแปดนั่นผู้นี้ดำเนินทั้งนานไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั่นผู้นี้นั่นเป็นของแต่และบุคคลที่ดำเนินโดยลาบางตนเองแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษ ในอริยบุคคลสี่คู่แปดจำพวกนี้ได้จะจิต ด, ดวงเดียวเป็นผู้ทํางานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์นีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นเนี่ยที่ว่าเอสสะปโกโตสาวกัสังโข อ, อาวเนโยปังนโยเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่ ว, วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาพภูมิพาณจนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็สมควรแก่โลกทั่วทไปเขาก็ภูมิใจการทําบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราแค่อย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนานแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปะทะประมานั้นเราทรงมักทรงผลอย่าง คงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิจิเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องรักเราให้มีมากมูลผลผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้ น, นเนี่ยทำที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดําเนินใครจะเป็นคู่ อริยบุคคลสี่และอริยบุคคลแปดจำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าอย่างการดำเนินในสุปฏิปนุทุญานะสามกี่ปฏิปนุผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุโานโยทะกกิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกาสัเมื่อตอนของตนได้เป็นเนื้อนอาบุญของตอนโดยสมบูรณ์แล้วทาไมจะไม่เป็นเนื้อนอบุญของโลกได้เล่า เราภูมิใจของเราเราเป็นเนื้อหนามุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อหนามุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างของจงทำตนให้เป็นเนื้อหนามุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้และทำเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่เวลานี้ และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักชาติธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชยิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอ และท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นทำรรตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี่เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบกิเลสได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกติงแยกกันว่าโลกกับธรรม ถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมุตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือโลกได้แก่แรงแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกทำเป็นสิ่งที่จะกําจัดชั้นล้างหรือสังหารแรงแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้หนึ่งถ้าจะแยก เป็นอย่างนั้นแม้กิเลส จ, จะไม่ยิสิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็าตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใไข้ไฟธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภานใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในจักรนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบงังหรือช่วยพยุงหรือช่วย ต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่พาณจิตใจของคนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายๆเมื่อมีทำอยู่พ า, ายใใจแล้วไม่ร้อนจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนหาทำภ า, าจยจนใจไม่ได้ <c oughs> แต่สสำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัติ นี่มันน่าสลดสังเว้เจ้าของได้ดําเนินตัวเองไปเถือให้ได้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลําดับลําดาพร้อมทั้งการละได้ปล่อยได้วางได้ค่าได้ให้จิบหายวายพวงไปโดยลํำดับลำดาแล้วจะจะทราบเรื่องความโง่เขาบปัญญาของเราโดยลําดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเอง <c oughs> ความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโ ง, ขง่ของเราของเราย้อนหลังย้อนหลังไปเรื่อย จนกระทั่งลราได้ปราบสิ่งที่พาศักด์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกเยะธรรมโลกอุจลธรรม นั่นต่างกันอย่างนั้นโลกุเตธรรมหมายถึงทำเหนือโลกโลกเยื่อธรรมนี้ทำยังอยู่ในโลกยังอยู่ในอํานาจของกิเลสทำก็จริงแต่ยังอยู่ในอํานาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดท่วงเป็นอํานาจบังคับจิตใจแล้วจะมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบัญญาของเรามาเป็นลําดับลาดาตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคุกครานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจึงมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทํานี่เหนือนั่นอีกละละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดและละเอียดยิ่งกว่าที่จะเอียดทำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆยิงต้องเห็นโทษกันโดยลําดับลำดาเนี่ย ต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมวิเลศกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหล่ดวงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะดูอิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่าน ให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช่กันอยู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสขึดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ทำผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านใจตองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งไปยังไงความเปลี่ยนของเ ไม่ในมีหน้าที่การงานอะไรจะเพะในวัดนีตรอยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเพลี่ยนของตนเป็นเม็ดเป็นเมื่อถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสําคัญจากความเพียรการเดินอยู่กมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สําหรับผู้จะต้องการตอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอานาจแห่งการกดขู่ทั้งหลาย ไปโดยลําดับจึงถือความเพียร น, นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนที่เหลืองานเหล่านั้นไม่จาเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวงังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทาแบบพร่ําๆเพื่อเพื่ อ, อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบ ถือสิงเหล่นั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการเป็จริงๆนั่นแหละหมายถึงวิริเวดกว้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้ววิหิเวดก้านคอไปเหยียบย่ําทําลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระหว่างเดินบินธบาดขอให้ดูจิตยาดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิต คำว่าความเพียรความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบินธบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกลมไปเป็นความเพียรประเภทหนึ่งรับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภอสุภังเป็นอนิจจังทุกขงาาังตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปกลับกลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สําคัญ สำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าเอียบทการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะชา้าก็ตามเร็วกว็าตามที่จะให้เป็นค่าศึกต่อกบความเพียร น, นั้นไม่ไม่มีนอกจากปนั้นเป็นค่าศึกต่อตอนอยู่แล้วแม้จะ ก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจะห ร, รวดสติเขายังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไ ป, ไปตามอาการของกิดนั้นเล่าอันนี้เหนือนัอ้นอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สําคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงากิจ นี่รักษาจิตยอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นนั่นแหละคือตัวเผลอเฮาเริ่มเริ่มน้าหน้าไปแลเดี๋ยวก็เผลอทะเ ล, ะลาะไาลไปไหนปวเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสุขขุมกัมภีรภาพมากแต่ กิเลสมันไปทําความทุกขุมกับปีรภากินในอาการนั้นแล้วไม่รู้มันเอาจิตไปทะลอกไปถกไปถลอกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเธอไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกวัวใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเหล่านี้สติปัญญาทำไมมันทันนั่น พราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันจึงทันใจความกระเพื่อมผ่องใจแต่ละอาการอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้นั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแม้มันทันกันยิ่งละเอียดละออ ก, ก็ไปเท่าไรสติปัญญายิ่งเขียบแหลมก็เพิ่มขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจ ย, ยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อย ทันนี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงแม้ขึ้นอยู่กับอาการชา้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสําคัญเดินตรงกลมก่อเดินแบบต่อท่าไปเพราะว่ามันจะเผยสติก้าวใ ห, ให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้ว มันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้นจะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันยังจะรู้กันทันกัน สติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผ wrote, artists, um athlete, ิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนซึ่งกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนซึ่งกิเลสมีจํานวนเท่าไหร่ศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจํานวนเท่าไหร่เพราะอานาจของสติปัญญาัาตาความเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทําให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัย ชาติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังหารพิเดชขอให้นํามาใช้นี่เวลานี้มันน้อยหลอไปมากแล้วนะผมและวิโตวิจาร์กระหมูกับคณะครูวาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเติมใสเป็นที่ฝากเป็นฝักตายก่อนนําวันร่วำรวยไปโดยลำดับลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็ง้อง้กันงินรุรุ่มดอนดอนเงองะเงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตน และส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตัง้งแต่บัดนี้อย่าให้ตื่นตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับทั้งกันแล้วตื่นมันอะไรอให้ตื่นทำต้องหน้อยสิทำเท่านั้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกสิ่งที่เราตื่นเอนนี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกนอกจากให้จมอยู่ในทุกนี้เท่านั้นตื่นเท่าไหร่ยิ่งจม ตื่นเท่าไดยิ่งจมอะทำนี้ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นะฟังซิตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นแต่โดนลำดับลำ ด, ด, ดับจนหลุดพ้นหลุดประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไ ป, ปจากนี้ขอขอจริงขอให้ทุกๆ ท, ท่านถือลงความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใงตัวเองจริงจริงอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสําคัญมากกว่านี้จะลืมตัวออ เรื่องลืมตัวนี้มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุดโทะทางอย่างว่าเลยไม่ได้ยกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่ามาแล้วนี่ ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมุดพื้นที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นเห็นที่ไรมันก็มันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นค่าสิึของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นค่าสิึต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นค่าสิึต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทําไมมันจะไม่สะดุดใจ เมื่อมองไปที่ไหนที่ที่ไหนอาการใดรูปใดานามไหนมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท้าออกตาร อ, รอบๆอยู่ทุกทิศทุกทางพันในร่างกายการแสดงออกแลก้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงออกมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่ที่สําคัญมากผมพากันอุตส่าห์พยายามนะ นี <c oughs> ่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีเห็มันหน้าของอิปผงดีครองที่ทําุทธเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ทํามากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทําถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะการปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราอพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่ สมาที่ทําได้สมาธะทำคือความสงบเย็นใจได้ก็ให้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จงควรเป็นสมาธิขั้นใดสมาธะขั้นใดก็ปรับให้มันได้เลยการประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิดเลสกิดเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้งองไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั่นที่เราจะปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนัง เอาของดิบของดีไปกินทั้งหมดกินทั้งหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมาธาสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงมบไม่นายร้อนยี่งกว่าฟืนกว่าไฟมันเป็นสมาธิอายรนั่นสมาธิไฟมีเหรื อ, อปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองนี่ยุวิเชื่อให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะ ต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจรารณาแหลกเหลวไปหมดนั่นเองบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้อง จ, งจึงต้องในบังคับบัญชากันเพื่อพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกําลังเป็นนักโทษต้องเอาทำเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายัางบีบได้เราจะบีบหัวมันมั่งไม่ได้หรือ มันบีบแล้วหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรพระเจ้าจะเยะๆทามากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นเหนือแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเราจะไม่คิดบ้างเหนือเทียบกันสิหนักปฏิบัติเอาจริงให้จังใช่เอาเด็ดลงไปถึงข่าวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไรเราได้รับความ เรวล้ us, าด้วยความเร็วสามจนตั ok holiday, so ้งหาคุณค yeah. ่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ล้วนแน่แต่ความเด็ดความเดี่ยวของกิเลสทีนี้การเด็ดด้วยอัดด้วยทำเด็ดลงไปเท่าไหร่เด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจะมีความเสียหายจนหาไรสาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาพเพียยด้วยอัดโดยทำนี่ให้เห็นทีในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียนเราไม่ได้เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไหร่มันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงกๆเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเร็ว ที่สุดนักถ้าเด็ดในทางดีนี้เด็ดเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีอ่ากิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจี่เลดเด็ดแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันอืมกิเลสมีกําลังมากขนาดไหนธรรมต้องมีกําลังเหมือนกันกิเลสหนักธรรมต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งทางดิบทางดีหนักทั้งดิบทา ง, ง, งดีจะเป็นอะไรไปอืมอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดแต่ดีบวกกันข้ามมีกําลังขนาดไหนกิเลสทังได้เลยอืมกิเลสไม่ได้พัง เพราะความอ่อนแอนะท้งเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับพิเดชฝ่ายดีต้องมีกําลังไม่มีกําลังเอาพี่เดชไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสรุปสามหมุนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูทีแล้วสุดท่าพี่เดชพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความตรามวนมาเท่าไหร่ในตาหนักตำลาเราอ่านมาทําไมดูที่เด็ชไหมธรรมะท่านเด็ชไหมเด็ดกับพิ่เลชนั่นหนักไหมหนักกับพิเดชโหดไหมโหดดีกับพี่เดชพี่เลชมันโหดชั่วท่านโหดดี ยิเรศโหดแบบโลกท่านท่านเหตโหดแบบธรรมฟาดกันลงจงยิเรศทางลงไปแล้วเป็นพุทธทางสนามกระฉามีทำมังสนามกฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธนี่สังกังสนามกฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามพระพุทธเจ้ายิเรศทางทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดีดเด่ยวความจริงความจังเทนั้นจึงไม่มีเป็นความชสียหายลายเพราะความเด็ดโดยอัตดโดยทมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกๆท่านทีลื่อนไปเคลื่อนปฏิบัติ เอาเด็ดทั้งยิงกินงังใช่เหนื่อยอะ่ะพูดไปพูดไปพูดเขามาถึงหนอ ย, อย่างนี้เราละให้ทุกท่านให้ทาความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีหนึ่งพูดถึงถ้าพูดไปพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดสายฝันวันจะเปลี่ยนขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคํานึงถึงคาดถึงขันไม่ได้มีเหตุมีผลมีอดมีทำยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโรคนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำกับเถื่อนจิต พอกระเทือนจิตจิตรู้สึกดแ้ยบะก็ต้องถอยตัวจากทำเพราะนั้นเองนี่ขออยุติเพียงเท่านี้